เราก็ได้สวดบทรำมุทเทสีนะที่ขึ้นตนว่าอุปนิยติโลโก <c oughs> โลกคือหมูสัตว์อัญชลาต้อนไปอยู่นะบทนี้ก็มีความสำคัญมากนะแล้วก็มีผู้นิยมสวดกันอยู่เป็นประจำครนนี้ ม, ทมีที่มาที่ไปอย่างไรนะก็คือในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเสด็จไปทางแคว้นกุลุ ทรงแสดงธรรมให้กับชาวกุลุฟังและในหมู่ชนที่ฟังนั้นก็มีพระรัฐบาลนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นมานบหนุ่มยังไม่ได้บวช <c oughs> ฟังอยู่ด้วย <c oughs> ก็ได้ฟังธรรมะาจากพระเจ้าหลายๆอย่างรวมทั้งธรรมุตรเทศสีนี้ด้วยเมื่อฟังแล้วก็มีจิตใจเริ่มใสยอยากจะบวช พอมูชนทั้งหลายกลับไปนะรัฐบาลก็ไปขอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าก็ถามว่า เ, ออเธอได้รับอนุญาตความยินยอมจากบิดามารดาหรือยัง <c oughs> รัฐบาลบอกว่ายังพระพุทธเจ้าบอกให้ไปขออนุญาตก่อนรัฐบาลก็กลับมาหาพ่อแม่นะแล้วก็มาขออนุญาตในการที่จะไปบวช แต่พ่อแม่ก็แมอนุญาตะขออยู่หลายครั้งก็แม่อนุญาตพรัฐบาลก็เลย <c oughs> ตัดสินใจว่าอ่าจะนอนลงไปในตรงนั้นนะแล้วก็จะไม่ทานข้าวจะตายไปนะถ้าไม่ได้บทก็คือต้องตายไป <c oughs> ก็เลยล้มลงไปนอนไม่ยอมลุกขึ้น <c oughs> พ่อแม่ก็มาวิ่งบอลให้ลุกขึ้นก็ไม่ยอมลุกนะเป็นเวลาอ่าหลายวัน ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยไปบอกเพื่อนของภาครัฐบาลบอกให้มาช่วยพูดกับลูกหน่อยให้ลุกขึ้นมาเถิดเพื่อนก็มาพูดกับภาครัฐบาลกี้กอมให้ลุกขึ้นมาทานอาหารก็ไม่ยอมลุกเพื่อนก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เลยปรึกษากันแล้วเสร็จแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ของภาครัฐบ า, บาลบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าปล่อยไว้ น, นี้ก็ต้องตายแน่ เพราะนั้นก็ควรจะให้บวช ด, ดีกว่าเมื่อบวชแล้วก็ยังจะได้เห็นกันบ้างนะหรือเมื่อบวชไปแล้วอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหนายก็คงจะสึกเข้ามาก็ต้องกลับมาที่บ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่ดีนะเพราะฉนั้นก็คิดว่าควรที่จะให้เขาบวชเถอิดนะพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยก็เลยอนุ ญ, ญาตให้ไปบวชรัฐบาลก็ดีใจนะก็เลยนะไปหาพระเจ้าแล้วก็แจ้งความประสงค์ เราพระเจ้าก็บวชให้หลังจากที่บวชแล้วนะไม่นานพระราบาลก็สำเร็จเป็นพระรหันต์ตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระราบาลก็เลยระลึกถึงพ่อแม่ก็เลยจะกลับมาเยี่ยมก็เดินทางกลับมาที่บ้านเดิมคราวนี้พอกลับมานะว่าจะมาบินทบาต ตอนนั้นท่านก็ไปพักอยู่ที่อุทยานอุทยานของพระเจ้าโกรัพยะนะก็จะมาบินฑบาทที่บ้านแต่ว่าบิดาจำไม่ได้นะตอนนั้นก็กำลังมีความไม่พอใจว่านะสมณะเหล่านี้เนี่ยทำให้ลูกชายไปบวชก็ไม่พอใจก็เลยด่าว่านะแทนที่จะได้อาหารก็เลยโดนด่าไปนะนะพระรัชบาลก็เลยหลบไปนะแต่ต่อมาก็มีหญิงคนใช้ ในบ้านของตัวเองนั่นแหละก็นําอาหารที่บูดเน่ามาทิ้งนะพระรัฐบาลเห็นก็เลยไปขอบิณฑบาตบอกว่าถ้าเธอจะทิ้งก็จงทิ้งในบาทของเราเถินหญิงรับใช้ก็เลยนําอาหารบูดเน่านะทิ้งระบางลงไปในบาทนั้นแต่ก็เพอเอินจำจำมือและเท้าและจําเสียงได้มาเป็นพระรัฐบาล น, นั่นเองนะ ก็เลยมาบอกมารดาและบิดาของพระรัฐบาลให้รู้พอรู้แล้วบิดาก็เลยตามไปดูว่าใช่ไหมก็ปรากฏว่าเป็นพระรัฐบาลจริงๆตอนนั้นก็กําลังนั่งพิงกําแพงฉันพระทหารอยู่อบิดาก็บอกว่าทําไมมาทําเช่นนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านตัวเองแล้วทําไมไม่เข้ามาในบ้านแล้วมาฉันอาหารบุญนาคนี้ได้อย่างไรพระรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีบ้านแล้วนะ ไม่มีบ้านแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นบ้านของอ่าของบิดาไม่ใช่บ้านของตนบิดาก็เลยนิมนต์มาฉันในวันรุ่งขึ้นอพระรัฐบาลก็เลยรับปากครั้นี้เนี่ยก็จะทําอย่างไรที่จะให้พระรัฐบาลเนี่ยสึกออกมาเพาอยากจะให้สึกออกมามากก็เลยนําเอาเงินทองเนี่ยมาม า, มากมายนะทําเป็นกองเงินกองหนึ่ง ทำเป็นกองทองอีกกองหนึ่งสูงขนาดมองจากฝั่งนี้มองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งคือให้คนยืนสองฝั่งนี้จะมองไม่เห็นกันะแล้วก็เอาผ้ามาคุมเอาไว้อย่างดีนะแล้วก็สั่งอดีตภรรยาของพระรัฐบาลบอกให้พรุ่งนี้นะให้แต่งตัวให้สวยงามที่สุดนะอให้แต่งตัวสวยงามแล้วก็ใช้เครื่องสาอางอย่างดีทุกๆอย่างต้องดีหมดนะแล้วก็พยายามเกี้ยกลอมให้พระรัฐบาลสึกออกมาให้ได้ แล้วก็ให้จัดเคหะ K art, ให้สวยงามปรุงอาหารที่ดีที่สุดให้พระรัฐบาลคราวนี้พระรัฐบาลมาถึงก็มานั่งเบิดาก็ได้เปิดผ้าให้ดูกองเงินกองทองบอกว่าเนี่ยเป็นกองเงินกองทองของบิดามารดานะและตอลอดจนถึงบรรพุทธเนี่ยสะสมกันมาก็จะนำให้พระรัฐบาลให้หมดเลย ร, รัฐบ า, บาลบอกว่า ขอให้นํากองเงินกองทองเนี่ยไปทิ้งแม่น้ําคงคาเสเถิ่ร์ท่านจะได้ไม่มีความทุกข์ในเรื่องเงินทองอีกต่อไปต่อมาก็อดีตภรรยาก็เข้ามาะเข้ามาจับข้อเท้านะเพราะว่าเออมีผู้หญิงที่สวยงามมันไดหรือทําให้ท่านจิตวายบวชพระราชบาลบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงเลยนะแต่ตัวเองต้องการประพฤติพรหมจรรย์ แล้วก็เรียกว่าเป็นน้องหญิงนะคร น, นี้พอดิพนเล ย, ยาได้ยินคาว่าน้องหญิงก็เลยเสียใจมากนะก็เลยนอนสลบไปเลยนะ ร, รัฐบาลอาชาญเสร็จแล้วนะก็เลยลุกขึ้นนะแล้วก็แสดงธรรมสั้นๆแบบว่าคนเรามีความสวยงาม <c oughs> งดงามไปอย่างยิ่งแต่ว่าเต็มไปด้วยแผลรอบๆตัว นะก็คือทวารที่เป็นทางออกของสิ่งโสโครกทั้งหลายไม่มีความยั่งยืนนะคนเรานะผู้หญิงทั้งหลายนะประดับตกแต่งด้วยเครื่องแต่งกายที่สวยงามใจนะก็เหมือนกับหนังซึ่งหุ้มโครงกระดูกอยู่ผู้หญิงซึ่งแต่งหน้ารูปไรไปด้วยเครื่องสำอางอันสวยงาม จะหลอกได้แต่คนโง่เขลาเท่านั้นแต่จะหลอกผู้ที่หวังพระนิพพานไม่ได้เลยแล้วท่านก็เดินทางกลับไปพักอยู่ที่อุทยานขณะนั้นพระเจ้าโกัพยะได้ยินข่าวว่าพระรัฐบาลมาพักอยู่ที่อุทยานก็เลยเสด็จมาเพื่อที่มาหาพระรัฐบาลเพื่ออยากจะถามไม่รู้ว่าทําไมคนหนุ่มนุมๆซึ่งยังแข็งแรง แล้วก็ดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิงสลิงคานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยทําไมจึงออกบวชมีความสงสัยมากนะคือคนที่ดีพร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมเนี่ยทําไมจึงออกบวชได้นะเพราะว่าในยุคนั้นจะต้องอเป็นผู้ที่อายุมากนะหรืออาจจะมีปัญหาหรือมีอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงออกบวชแต่ทําไมคนแบบนี้จึงออกบวชได้ก็สงสัยก็เลยเข้ามาถามพระรัฐบาล แนว่าทําไมจึงออกบวชมีเหตุอะไรหรือพระัฐ บ, บาลก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออได้ไปฟังธรรมจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมมุทเทศสีให้ฟังพระเจ้าโกรยักษก็เลยอยากมาฟังว่าธรรมมุทเทศสีนี้มีดีอย่างไรพระรัฐ บ, บาลเมื่อฟังแล้วจึงได้ออกบวชแล้วเมื่อบวชแล้วก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย รัฐบาลก็ไเลยส่งแสดงธรรมเทศนาสีให้ฟังข้อหนึ่งก็คือโลกนี้คือหมูสัตว์อันชลาต้นไปอยู่ไม่มีความยั่งยืนคําว่าโลกนี้นะก็หมายถึงว่าหมูสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะหมูสัตว์ก็คือมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์สัตว์ทั้งหลายนั่นเองหมูสัตว์นี้เนี่ยมีแต่ความอัญชราต้อนไปอยู่ และไม่มีความยั่งยืนนะเพราะว่าคนเรานะไม่มีใครหนีจากความชลาไปได้นะมันต้องเข้าไปสู่ความชลาและความชลาก็ต้อนเข้าไปสู่ความตายทุกคนนะไม่มีความยั่งยืนว่าเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไม่ยั่งยืนในตรงนี้นะข้อที่สองก็คือ โลกนี้ไร้ผู้ต่อต้านไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่คำว่าโลกนี้ก็คือหมหูสา์รหรือมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนะไร้ผู้ต่อต้านก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความเจ็บป่วยมีความแกช่ชราแล้วมีความตายทุกๆคนไม่มีใครที่จะต่อต้านได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีใครต่อต้านความแก่ความเจ็บความตายได้จึงไม่มีผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่ว่าใครใครก็ต่อต้านไม่ได้ทั้งสิ้นแม้แต่พระราชามหากษัตรย์ก็ล้วนแต่ต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บความตายทั้งสิ้นข้อที่สามโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป นะอันนี้ก็หมายความว่าไม่มีใครนะที่จะมีสิ่งใดเป็นของตัวตนอย่างแท้จริงทุกสิ่งมีก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไรนาที่สวนนะทั้งหลายแหลนะ่บ้านเรือนนะหรือแม้แต่นะลูกของเราหลานของเราภรรยาสามีบิดามารดาญาติพี่น้อง เกลนปูงทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะไม่มีอะไรเป็นของของตนจริงๆนะในที่สุดเมื่อตายไปก็ต้องสละทุกสิ่งออกไปทั้งหมดนะจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะเมื่อเราตายเราต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทั้งสิ้นจะนําสิ่งใดติดตัวไปก็ไม่ได้เลยนะแม้แต่นิดเดียวอ่เสื้อผ้าต่างๆก็นําไปไม่ได้นะ ทรัพย์สมบัติทุกๆอย่างนะมีมากมายมหาศาลขนาดไหนนั่นก็คือเราก็ต้องสละไว้ในโลกนี้ทั้งสิ้นเขนะาเรียกว่าวันตายนี่เป็นวันสละหรือเป็นวันบริจาคที่ยิ่งใหญ่นะนะเรามีสมบัตินะ่ะเป็นล้านๆก็ต้องบริจาคให้กับโลกไปนะนําติดตัวไปไม่ได้ทั้งสิ้นนะแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องทิ้งเอาไว้ทุกๆอย่างนะที่ติดตัวไปได้ก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นเองนะ อันนี้นะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้จริงๆเลยต้องทิ้งไว้ทั้งสิ้นนะข้อที่สี่โลกนี้ <c oughs> พล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มจึงต้องเป็นทาสของตันห า, าโลกนี้นะโลกนี้ก็คือคนเราเนี่ยแหละนะ คนเราเนะียมันเหมือนกับบอ่อน้ําเล็กๆนะบอ่อน้ํานี้เติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งนะเพราะมันมีความบกพร่องมีความไม่อิ่มในราคะในตันหาตลอดเวลานะจะเติมราคะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจะเติมสิ่งต่างๆลงไปเพื่อให้ตันหามันเต็มมันก็ไม่เต็มเนีเพราะมีความอยากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด นะเพราะนั้นคนเราจึงสแสวงหาสิ่งต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดนะจะร่ำรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะสแสวงหาไปเรื่อยๆนะมีเงินสมัยก่อนถ้าเรายากจนเราบอกว่ามีสักล้านหนึ่งเราก็น่าจะพอแล้วนะแต่พอมีล้านหนึ่งก็ไม่พอต้องสแสวงหาไปอีกนะมีสิบล้านนะก็ไม่พออีกนะบอกว่าออแล้วเราก็ยังจนอยู่ขว ด, ดื่นรวยว่าเรานะ สมัยนี้บางทีเรามีรถนะโตโยต้ารถญี่ปุ่นล้วก็ไม่พอใจนะอยากจะได้รถยุโรปรถเบนซ์รนถะต่างๆอันนี้ก็แสดงถึงความไม่พอของคนเรานะนะมีสิ่งต่างๆไม่พอทั้งนั้นนะั่นแหละนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะใครมีสิ่งต่างๆก็กลายเป็นล้าสมัยไปแล้วก็๊บเดียวก็ล้าสมัยก็ต้องเปลี่ยนเพราะนั้นสิ่งที่ขายดีทุกวันนี้นะนะ ไปดูตามห้างได้นะ่ะมีแต่ของที่อปุ้มเปือยทั้งนั้นนะของที่ไม่จําเป็นเนี่ยขายได้มากมายแล้วถ้าสังเกตด้วยดีเนะี่ยสิ่งที่ขายดีที่สุดก็เป็นของใช้ผู้หญิงนั่นแหละนะอพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะเครื่องสาอางผู้หญิงนี่ขายดีมากนะขายดีแล้วก็มีหลายร้านมากด้วยนะหรือไม้แต่ผู้ชายก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อนะ สิต่างกันมากมายนะบางทีก็ไม่จาเป็นสมัยนี้ผู้ชายบางคนก็นิยมเครื่องสำอางก็มีนะอะเครื่องสําอางเพื่อให้ดูดีทั้งต่างๆมารูปไร ห, หน้าตาตัวเองเพื่อให้ดูดีก็มีมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่อเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนใหม่เราก็คิดไปเราจะตามไม่ทันก็ต้องพยายามซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆ <นะ S 2> เพื่อแสดงถึงความทะนุถนอมของเรา <นะ S 2> บางคนก็อ่ สแสวงหาแต่กามารมตลอดเวลานะมีภรรยาก็ไม่พอนะจะต้องไปหาเสร็จหาเลยนอกบ้านไปมีชู้บ้างไปมีอะไรเยอะแยะนะเนี่ยก็เรียกว่าเติมไม่พอในราคาสมัยนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันนะก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปตามราคาทั้งสิ้นนะ เพราะนั้นเนี่ยตัณหาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เป็นเหตุนามาซึ่งความทุกข์เพราะคนเราเนี่ยมันก็เลยเป็นธาตุของตัณหาอยู่ตลอดเวลามันก็หาวันทางที่จะออกจากตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งสิ่งต่างมีความปรุงแต่งให้ดูแลดีงามสวยงามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายแหละอันนี้ก็คือการมาคุณหา้าซึ่งนำให้คนเราเนี่ยติดอยู่ แต่คนเราก็นี่จริงๆก็ชอบติดในตรงนี้ด้วยนะนอกจากเขายังนําเราติดแล้วเราก็ไปสแสวงหาเพื่อที่จะติดเองนะติดในตรงนี้นะมันก็เลยออกมาไม่ได้นะออกจากโลกไม่ได้เลยนะเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอโลกนี้เปรียบเสมือนราชรถอมิจิตอันคนเข่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นะเพราะนั้นเมื่อคนเราเอ่ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อนะมันก็เลยไม่พอนะจึงต้องตกเป็นทาสของกัรหาอยู่ล่าไปเนะี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญญานะเขาก็สามารถที่จะมองเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในตรงนี้ได้อย่างพระรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างพร้อมนะนะมีความสุขความสบายแต่เมื่อได้ฟังธรรมเทศจากครูเจ้าในตรงนี้เขาก็เกิดความเข้าใจในชีวิต นะตามความเป็นจริงนะว่าคนเราก็เป็นแบบนี้เองนะหนีไม่พ้นหรอกความแก่ความเจ็บความตายทั้งหลายแหลนะ่เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วก็ตงทิ้งไว้ทั้งหมดนะรวมทั้งตัณหาต่างๆนะมีความไม่จากพร่องไม่จัดพอไม่จัดอิ่มนะอันนี้ก็คือปัญญาของคนเราที่มองในตรงนี้ได้เห็นชัดเจนนะจึงมาขอบวช แต่ในขณะเดียวกันนะผู้ที่ไม่มีปัญญาในตรงนี้เนะี่ยให้ได้ยินมากกว่านี้นะหรือแม้จะเห็นมากกว่านี้อในความแก่ความเจ็บความตายทั้งหลายแหละแตเห็นแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะออกมาจากตรงนั้นได้นะเพราะมันติดมันข้องอยู่เมื่อมันติดมันข้องมันก็ต้องอยู่ในโลกตลอดไปนะการอยู่ในโลกนั้นเ่าเรียวกว่าเป็นความสุขอันเล็กน้อย ไม่ใช่เป็นความสุขอันไัยบูรณ์ว่าบอความสุขอันไัยบูรณ์ก็คือภายในพานะซึ่งเป็นความสุขอันไัยบูรณ์ก็คือความสุขที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์ใหมนะ่แต่คนเราส่วนมากนะเราก็ชอบสแสวงหาแต่ความสุขเล็กน้อยเท่านั้นกนะ็คือกรารมาคุณห้าเราละทิ้งความสุขอันไัยบูรณ์คือความสุขที่ประเสริฐที่สุดนะไม่ต้องกลับมาทุกข์ใหม่ และความสุขเล็กน้อยเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงและเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็นําความทุกข์มาให้เราด้วยนะโดยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสุขและความทุกข์ในมันติดกันผู้ใดปรารถนาความสุขนั่นแหละผู้นั้นก็คือปรารถนาความทุกข์ด้วยเพราะว่าความสุขนั้นไม่ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความรักเนี่ยบางคนก็แสวงหาความรักนะ บางคนเออเจอผู้หญิงคนนี้สวยนะอยากจะแต่งงานนะก็ดิน้นโลนด้วยวิธีการต่างๆมากมายส่อสู้อ่นะะเผชิญอุปสรรคแทบเลือตากระเด็นกว่าได้แต่งงานกับผู้หญิงตัวเองรักสักคนหนึ่งนะแต่มันก็ไม่เที่ยงนะหลังกากนไม่นานก็เลิกกันไปไม่เยอะแยะนะสมัยนีย้อย่าล้างกันเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าราคะหรือความรักมีความสุขจริงทาไมจะต้องอย่าล้างกันนะ หรือถ้าคนไม่อยาล้างนะก็จะต้องมีเหตุทะเลาะเบาแวงกันอยู่เป็นประจำอันนี้ก็แสดงอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวนะเอาจริงเอาจังอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเป็นยาก็เลยไปติดอยู่ตรงนี้หาความสุขหาความสุขแต่ก็ไม่รู้ว่าความทุกข์มันจะแฝงมาในความสุขเหล่านั้นนะเพราะความสุขเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นความเที่ยงเลยนะไม่ว่าเราจะมีอะไรนะมีสิ่งต่างๆมากมายนะ เราจะมีของใช้ต่างๆอาจจะมีรถยนต์ต่างๆโอ้มีความมีความพอใจมีความภูมิใจแต่หลังนั้นเพียงปีเดียวหรือสองปีเราก็เบื่อหน่ายแล้วนะและอย่างหนึ่งพวกนี้มันไม่เที่ยงนะเราก็ต้องคอยบํารุงรักษาอยู่เรื่อยๆนะอย่างยกตัวอย่างถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือนั่นแหละอถ้ามีเครื่องสองเครื่องมีหลายๆเครื่องนี่ก็มีความทุกขามาเยอะแยะแล้วนะ ต้องคอยดูแลบำรุงรักษานเดี๋ยวเครื่องนั้นก็เสียเครื่องนี้ก็เสียะก็เป็นภาระทั้งนั้ น, นเพราะนั้นใครที่มีท <c oughs> รัพย์สินเยอะนั่นแหละคนนั้นจะมีความทุกข์นะเพราะมีสิ่งที่ต้องดูแลรักษาเยอ ะ, ะหรือมีคู่ที่เกี่ยวข้องกับเราหลายๆคนนะมีลูกหลายๆค น, นอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วนะขันห้าก็คือตัวเราเนี่ยแหละ แล้พอตัวเราก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วเราก็ยังหาขันห้ามาเพิ่มอีกนะก็เป็นสิบคันนะก็คือหาสามีภรรยามาเพิ่มพอหลังจากสิบคันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกห้าคันก็เป็นสิบห้าคันนะพอหลังนะั้นก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกห้าคันก็เป็นยี่สิบคันนะเฉนะพาะตัวเราห้าคันก็มีความทุกข์แล้วนะเรายัต้องไปดูแลถึงยี่สิบคันนะแล้วมันจะไม่ทุกข์หรือนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาจะมีความอยั่งยืนนะเขาก็มีความแก่ความเจ็บความตายไปนะดังนั้นเราก็มีความทุกข์ทั้งนั้นนะเนแหละก็คืออถ้าบุ้ใดไม่เห็นตรงนี้นะก็จะหาขันมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะอะเป็นสิบขันยี่สิบขันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเรามีห้าขันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอ ะ, อะเมื่อมีห้าขันเราทําอะไรต่อก็คือหาทางคุ้นทุกนันเองนะ ความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากจิตใจของเรานะที่ไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ทั้งห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือจิตใจก็คือกายและจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะ ถ้าหากว่าเราเข้าใจในตรงนี้จริงๆว่าเออมันไม่ใช่ตัวไม่ตัวของเราจริงๆนะเราก็ไม่ยึดไปยึดติดกับเขาแล้วนะเราก็รู้จริงๆไปแบบนั้นเราก็ปล่อยก็เป็นไปตามอ่าภาวะหรือตามเหตุตามปัจจัยของเขานะอ่เพราะร่างกายเขาก็ทำงานของเขาเองอยู่แล้วนะหัวใจก็ก็เต้นของเขาเองหายใจก็หายใจของเขาเองนะอ่กระเพาะอาหารก็ทำงานของเขาเองนะเลือดเนื้อ อทุกอย่างระบบต่างๆในร่างกายเขาทํางานขอนเขาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสั่งเขาเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ของเราแน่นอนนะเขาทํางานเขาเองอยู่แล้วเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้เราเห็นได้ชัดอส่วนจิตใจในส่วนมากเราจะมองไม่เห็นในตรงนี้นะเราจะเข้าใจว่าเออจิตใจเป็นของเราอนะแต่จิตใจนี่ก็คือจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่ตัวไม่ตัวของเรา แต่เราก็ยังไปยึดว่าจิตใจเป็นของเราอีกเราก็เลยมีความทุกข์ตลอดไปนะะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดเช่นนี้แล้วเนี่ยก็กลายว่าเราคิดนะคิดก็กลายเป็นเราคิดอโกรธก็กลายเป็นเราโกรธรักก็กลายเป็นเรารักชังก็กลายเป็นเราชังก็มีตัวเราอตลอดนะก็คือเข้าใจว่าจิตเราก็คือไมนตัวเราอยู่ตลอดมันก็เลยแยกมันไม่ได้จริงๆว่ากายและใจไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็อมาในตรงนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันทํางานกับมันเองนะจิตมันคิดมันก็คิดมันเองมันจะชังมันจะเกลียดจะโกรธมันจะรักก็เรื่องของเขาเป็นของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะอตรงนี้ต้องแยกให้ออกมานะไม่ยาว่าตัวเราไปรักไปชังแต่ว่าเป็นจิตของเขาเองซึ่งจิตก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วอย่างที่ผู้เจ้าบอกมันจึงจะแยกจากความยึดติดะในขันทั้งห้านี้ได้จริงๆนะ เราก็จะกลายเป็นผู้ดูไปนะเออมันทํางานเข้าเองนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราอยากจะได้แยกออกมาได้จริงๆริอันนี้มันก็จะได้เป็นการละสลากาสลสากลที่ถีดได้จริงๆระถ้าไม่ละตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้คิดว่าเป็นเราอยู่มันก็ละไม่ได้จริงๆริงนะเป็นตัวเป็นตนของเราตลอดแล้วมันเจอะจักวามทุกได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ เ, ออเราปฏิบัติดนะีเราก็คิดว่าเราดีเราได้ผลแล้ว อ, อ หรือคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วนะเรามีสติอมีความรู้สึกตัวเราคิดเราดีแล้วนั่นแหละพอไปคิดงั้นก็เป็นตัวเป็นตนอีกนะว่ามีเราดีเราเก่งกว่าคนอื่นเขามันก็เป็นสักการะที่ถวันยังคำ่ำนะแล้วก็เขาก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วว่าเออเราบังคับบัญชาเขามไม่ได้จริงจริงนะออบางวันก็ไปบัตรได้ผลดีบางวันก็ปฏิบัติไม่ได้ผลดนะีเขาก็แสดงให้เราเห็นอยู่แล้วว่าเรามังคับบัญชาเ้าไม่ได้จริงๆ แต่ถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดไปนะทำไมไม่ไม่ดีถาวรทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราต้องการนั่นแหละก็เพราะว่าเรามีความต้องการให้เขาดีถาวรให้เขามีสติมีปัญญามีความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนี่คือการที่เราไปหวังไปบังคับบัญชาเขาตามที่เราต้องการนันะก็คือตัณหานั่นเองนะ แต่สิ่งๆสิ่งต่างๆเราไปบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้หลอกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเองนะเขาจะมาเขายาไปก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็มีหน้าที่เป็นผู้รู้ไปตามความเป็นจริงเป็นผู้ดูไปตามความเป็นจริงนะเราก็ไม่มีความถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะไม่ทุกข์จากการบัติดธรรมเลยนะแต่ละใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะมีความทุกข์ในการบิดธรรมอยู่เรื่อยๆพอมันไม่มีสิ่งใดหลอกที่เราจะไปบังคับบัญชาก็ได้อย่างจริงเพียงแต่เรารู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะ การปฏิบัรก็จะง่ายขึ้นนะมันจะเกิดการปล่อยการวางจากการยึดติดทั้งหลายแหลนะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอีกต่อไปนะเพ so ราะงั้นการปฏิบัติธรรจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องไปเอาอะไรกับเขานะมเราไปเอาว่าเออเราต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือตัวตนของเราทั้งนั้นที่จะไปได้อะไรสักอย่างหนึ่งตัวตนที่จะไปได้สติได้ความรู้สึกตัว <c oughs> ได้สมาธิได้ปัญญาได้บรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คือความเป็นตัวตนทั้งนั้นเลย แต่จริงๆเราอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยจะวางอะไรได้มากกว่านะปล่อยวางความยึดมั่นได้ไหมปล่อยวางคันห้าได้ไหมปล่อยวางความไม่พอใจต่างๆได้ไหมปล่อยวางความโกรธความรักความชังได้ไหมอันนี้นะมันถึงจะเป็นผลทายจริงๆทางการปฏิบัตินะเพราะว่าเรายึดสิ่งใดเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นทุกมีพอยึดทุกยึดพอยากทุกมากพอพลอย ทุกน้อยเพราะวางนะเนีย่ยมันก็อยู่ที่เราวางได้มากหรือน้อยเพียงใดนะเราวางได้น้อยเราก็ทุกน้อยเราวางได้มากเราก็ทุกมากล้วก็อาเราวางได้มากเราก็ไม่มีทุกนะเรายึดน้อยเราก็ทุกน้อยเรายึดมากเราก็ทุกมากนั่นเองนะเพราะนั้นนะช่วงชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่ายาวนานนะเราก็สั้นๆแค่นี้นั่นแหละไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวจะไม่ตายนะไม่จาเป็น ความตายไม่มีปรากฏไม่มีนิพิทหมายนะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายด้วยอาการอย่างไรก็ไม่รู้น ะ, ะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องทำความจริงให้ปรากฏอย่างรวดเร็วนะทำใจเราให้ตรงต่อสัจธรรมอย่างรวดเร็วนะเข้าใจความจริงในตรงนี้ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรนะชีวิตเราเป็นอย่างไรแล้วหน้าร่างกายเราเป็นอย่างไรจริตใจเราเป็นอย่างไรรู้ความจริงในตรงนี้พอนะ การศึกษาธรรมะไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่กายลายใจทั้งสิ้นนะการศึกษาคืออะไรก็คือเห็นตามความเป็นจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนในสภาวะเดิมไม่ได้อนาตตาคือความไม่เหตุตัวไม่เหตุหตน ไ, ไม่สัตว์บุคคลเราเขาและบังคับบัญชาเขาไม่ได้ในแค่นี้เท่านั้นเองในศึกษาความจริงในตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจชีวิตทั้งหมดนะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะพ้นทุกได้นะ ก็ขอทุกท่านพ้นทุกได้ในชาตินี้ทุกท่านเถอด